พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ดลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าถึงคราวตายต้องไปคนเดียวเอาต่อที่ไปตั้งใจฟัง หลวงพ่อจะได้กล่าวสังเวชทนิยกถาอันกถาเกี่ยวกับความสลดสังเวชใจพวกเราก็ได้คิดกันไว้แลักะ เ, เรื่องความแก่เจ็บตายแต่ถึงยังไงแก่ได้คิดไว้ก็ยังไม่ถึงใจแต่พอมันถึงใจก็คื อ, อคื อ, อที่พวกเราได้เจอ ด, ด, ด้วยตนเองถ้าพวกเราได้เจอด้วยตนเองนั่นแหะถึงใจ แต่มาคราวนี้ก็นี่แหละพวกเราได้มาปาราบถึงคุณโยมแต่ถึงยังไงทั้งหลวงพ่อเองก็ได้จากในครอบครัวนี้ถึงคุณหลวงแล้วกับคุณโยมวันเพนแต่โด ย, โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูง้จักคุณหลวงนั่นะก่อนเพราะท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวตั้งแต่ปี27แต่ปเปลี่ยนหลวงพ่อนี่ออกไปออกจากวัดป่าบันตาปี25 แต่หลวงพ่อก็ได้ทราบข่าวมาโดยตลอดเพราะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันอพอต่อมาหลวงตาบั้ขั้นสุดท้ายหลวงปะตาพวกเราก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกันได้จัดงานอุปสมบทเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาก็หลายครั้งเพราะฉะนั้นจึงรู้จักมักคุณกับคุณหลวงโดยใกล้ชิดมาโดยตลอดจากนั้นทางก็ไปมาหาสู่ แต่โค้งสุดท้ายพอหลวงตาจุดตีนิรภัยไปแล้วหลวงพ่อ ก, ก็ได้ม า, าที่บ้านของคุณหลวงก็รู้จักมักคุ้นกันทนีกับครอบครัวทั้งลูกทั้งหลานของคุณหลวงเป็นผู้ไฝในการกุ้ลนและก็พร้อมกันท่านก็ได้พิมพ์หนังสือขององค์หลวงต า, าคล้ายๆว่าคำบอกลบอกล่าวคำบอกเล่าตั้งสิบเล่มในกลุ่มในคณะ วัะ น, นั้นงพ่อได้ทนายลูกพอก็ได้เอาหนังสือจำนวนนั้นล่ะไปแจกคณะัทธา ญ, ญาติโยมามากมายทีเดียวถือว่ า, าทางครอบครัวทั้งคุณหลวงทั้งคุณยมวันเพ็ญทั้งลูกหลานาจัดขั้นว่าสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ไฝ่ในบัดในการบุญการกุศลแต่มือถมาถึงคราวนี้ก็ชีวิตของพวกเราถึงจะเป็นยังไงไม่ว่า แต่ใครละขนาดพระพุทธเจ้าบรมวัครูสยามภูรู้แจ้งโลกพระองค์ก็ถึงจุดจบของพระองค์ปรินิพานอายุ80ปีแต่องค์ลงตามมหาบัวท่านกนนระทำคุณอุปการณ์กับประเทศชาติต่อโลกอย่างมากมายแต่ต่างๆคนก็ต่างไปตามอายุสังขารเกิดแก่เจ็บตายอันนี้สองตา ย, ยายอันนี้ก็เหมือนกัน แต่ใครจะไปเร็วไปช้าท่า น, นเองปวัตินี้ก็เป็นวันที่วันมรณะของคุณแม่วันเพนฌานพิเศษท่านก็เกิดวันที่30มกราคม87ถ้าจะว่าไปแล้วเกิดก่อนลุงพ่อปีหนึ่งนะท่านเกิด87ลุงพ่อเกิด88นะท่านศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะแก่กว่าลุงพ่อปีหนึ่งแล้วก็ท่านมรณวันที่15มีนา60 วันนี้ก็เป็นวันที่จะเป็นพอดวั น, วนประชุมเพลิงหรือพระราชท า, านเพลิงหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถามอีกเหมือนกันนะคงจะเป็นวันเป็นพระราชทานเพลิงกันมั้งนะแล้วก็ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรมนะแ ท, ท, ที่ที่นี่นะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรนังเมผวิจติขยะวยธรรมมาสังฆาราอัปปมาเดนสัมปาเดธาตีติวันนี้หลวงพ่อเองจะได้กล่าวสังเวชนธนิยกถา คือกาวความสลดสังเวชคือมวลมนุษยชาติเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีผลไปได้แต่เอาเถอะในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะพระพุทธเจ้าก็ที่ท่านหนีไปบวชท่านก็รู้จักความสุขสบายเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะในช่วงนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ยังมีกิเลสเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะเหมือนสามัญชนทั่วไปแต่ถึง แต่บุญบารมีของพระ อ, องค์ได้แก่กล้าเมื่อพระ อ, องค์อายุได้19ปีพระ อ, องค์ก็ได้คองราดมาดมีความสุขแต่พระเอิญวันหนึ่งพระ อ, องค์ได้เดินออกไปข้างนอกไปชมอุทยานสวนไปเห็นคนแก่ก็แปลกใจเพราะไม่เคยเห็นคนแก่มาก่อนเพราะว่า ตั้งแต่เกิดมาพระเจ้าจุดโทธนคะพระบิดาก็ประคบผงมไม่ให้เห็นคนแก่อยู่ในสแลนเดินไปก็มีตะตุ้กล้วยมีตะต้นกล้วยมีตะต้นอ้อยมีแต่แต่สีวิไลไปนสถานที่ใดแต่ท่านี้ เ, เมื่ออายุแก่เมื่ออายุถึง29่สเก้าปีพระบิดาก็เห็นว่าคงจะติดโรคละคงจะไม่มีไปทางอื่นละก็ะปล่อย จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ไปไปเห็นคนแก่ก็เกิดความสลดสังเวชใจต่อมาก็เป็นครั้งที่สองไปเห็นคนเจ็บต่อมาก็ไปเห็นคนตายจากนั้นพอเห็นคนตายพระ อ, องค์ก็คิดว่าในโลกนี้จะหาความสุขได้ที่ไหนเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายในที่สุดเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จึงได้ม อ, ออกทรงหาทางออกบวชออกผนวดหาทางหาทางที่ว่าจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายมีช่องทางไหมจากนั้นพระ อ, องค์ก็จึงได้ ออกบวชไปอยู่ตามลําพังถึง6ปีพวกเราคิดดูให้ดีแล้วกันว่าพระมหากษัตริย์สวยเกิดมาด้วยเกิดก็ตั้งแต่วันประสูตรมาอยู่ในสุกุมรารชาตมีความสุขมาตลอดแต่บัดเมื่ออายุมากถึงขนาดยี่สิบเก้าปเข้าไปอยู่ตามลําพังไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าแบบเสี่ยงที่สุดไม่ไดไม่มได้มีอนาคตอย่างอื่น แต่ในใจของพระ อ, องคนะ์น่ยมีอนาคตมีความมุ่งหวังตั้งใจแต่ว่าส่วนร่างกายนั่นนะพระ อ, องค์ไปอยู่ในป่าแต่คนทั้งหลายก็คงจะมองในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้แคร์ในกาการมุมมองของมนุษย์ชาติทั่วๆไปพระ อ, องค์ได้ไปตามลําพังที่พระ อ, องค์ได้คิดว่าจะทํำยังไงจึงจะหาทางพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนไหวตายเกิดเพราะว่าเราเกิดแก่เจ็บตายเนะี่ยไม่มีไม่มีที่สิ้นฉุดอ เพราะว่าพระ อ, องค์มองดูแล้วพระประโยชนญาติของพระ อ, องค์เป็นผู้ใหญ่ก็ร่งรยไปตามอายุสังขารแต่ก็ร่งรอยลงมาเรื่อยๆจากนั้นก็ไหลลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือความเกิดแก่เจ็บตายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละพระ อ, องค์ก็คงจะคิดอย่างพวกที่พวกเราเห็นแต่พวกเราเห็นแล้วเห็นแล้วก็เฉยๆไม่รู้จะทำยังไงพ่อแม่ปู่ย่าตายแล้วไปเผาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง แต่พร ะ, พ, ระพุทธเจ้าเนี่ท่านรู้ว่าจะแก้ไขอย่างไงเมือ่อเมื่อลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นพระนพองค์จึงได้หนีไปบวชไปบําเพ็ญอยู่ในป่าทั้ง6ปีทดลองทดสอบดูด้วยจิตภาวนาเนี่แหละพะงค์จึงไปภาวนาในที่โคลนต้นโพนกําหนดลมหายใจเข้าออกจนเพราะไทยใจของพระองค์รวมสงบ เมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยานาฏเกิดยานาทัศนา์เกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาพระ อ, องค์ละลึกชาติผลหลังได้เนี่แหละหลักของพุทธศาสนานะตายแล้วไม่สูญ ต, ตามหลักของพุทธะละลึกชาติผลหลังไล่ละลึกชาติผลหลังได้นะปุพเพนิว่าสานุจติยานพอถึงเที่ยงคืนดูสรัรพสัตต์ทั้งหลายจตูปปตาตญาณการเกิดการตายของสัรพสัตต์อีก ทําไมเกิดมนุษย์เกิดมาจึงไม่เหมือนกันบางคนก็สวยงามบางคนก็เฉลียวฉลาดบางคนก็บั่งมีสีสุขบางทีก็มีความทุกข์บางคนก็เป็นของพิเป็นคนพิกลพิกการมีมากมายอยู่ในโลกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพระพระองค์ก็มองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ละดวงวิญญาณแต่ละคนทําไมคนจึงนี้จึงเป็นอย่างนี้ทำํำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทําไมเกิดมาไม่เหมือนกันพระองค์มองดูแล้วว่ากรรมคือการกระทํา การคิดไม่เหมือนกันการกระทําไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันในเมื่อการกระทําไม่เหมือนกันทั้ง3าอย่างทั้งสามถวานผลกรรมตอนนั้นให้ผลคนเกิดมาจึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วท่านให้โอวาธปฏิโมกให้โอววาดต่อภิกษุทั้งหลายว่าอากาักตงังลุกตรังเซโยปัชฌะตปฏิทุกตังกรรมชั่วจะทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผล ตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อทํากรรมชั่วลงไปแล้วของหูหนวกตาบอดบ้าใบาไปต่างๆน า, ๆานาเพราะอะไรเพราะทํากรรมชั่วในอดีตนะเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อได้ศึกษาทำคําสอนของพุธธทธคือตูตู ป, ป, ปตาตูปาปาตญาณการจุติขันเกิดการตายพ อ, อวันสว่างพระองค์ก็ได้เพิจารณาถึงวันดวงวิ ญ, ญญาณมาจากไหนมาเกิดยศองครู้ได้ด้วยพระองค์เอง จากนั้นก็ชำระพระ อ, องค์ด้วยตปะธรรมคือศินสมาธิปัญญาพระ อ, องค์จึงบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาท่านประกาศได้เลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราสิ่งที่จะพานําพามาเกิดนั่นคื อ, อ, อกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ปัจจบันนี้เราได้ชำระแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้ว น, นี่แหละอันนี้คือตัวอย่างของพุท ธ, ธะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย ได้นํำทำคําสอนของพุทธะมาประพฤติปฏิบัติจะนํามาจุดไหนทำมาจุดที่ว่าทําจิตใจให้สงบนะ mm. เบื้องแรกนั่นนะพระองค์ทํำยังไงกุญแจดอกแรกพระองค์ทํำยังไงใจของพระองค์จึงจะสงบกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหะที่ตั้งจุดโคตต้นโพจากนั้นพระองค์พระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดความรู้นะ จากนั้นในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธท่านให้พิจารณานะเมื่อจิตใจรวมสงบแล้วให้พิจารณาถึงร่างกายสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดร่างกายได้เป็นเครื่องอาศัยเมื่อจิตใจรวมสงบแล้วหลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับตีก็เหมือนกันนามธรรมา ถ้าว่าพวกเราจิตใจไม่สงบจะมองไม่เห็นตัวนามะธรรมคือโซเฟอร์รถนั้นนี่พราะพระทัเจ้าได้ไปค้นคว้าสื่อสารจุดนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าตายแล้วไม่สูตรร่างกายเนี่ตายแน่นอนแต่ดวงวิญญาณนั้นออกจากร่างเพราะฉะนั้นอย่างปุญโยมก็เหมือนกันนะี่นะเออเดี๋ยวนี้ท่านว่าร่างกายของท่านถึงท่านจะมีความรู้ความฉลาดสามารถขนาดไหนแต่ว่าร่างกายน่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่ง เหมือนกับรถของเราเนี่ยนะถ้ารถหมดน้ำมันสายพานมันหลุดนะจะเป็นดอกเตอร์ไปขับก็ไปขับเธอมันไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะรถตัวนขนดนั้นมันเสียจะไปขับได้ยังไงมันสํารถนี้ก็เหมือนกันถึงเราจะเฉลียวฉลาดถึงขนาดไหนแตเ่เลือดไปอุดสมองซะอุดหัวใจซ ะ, ห, จะหัวใจวายซะร่างกายนี่จะทำยังไงใจตรงนี้ก็ไปทำยังไงออกจากร่างนี่ นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะร่างกายกับใจใจกับกายในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายดูนะดูกายดูใจของพวกเราร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านประกอบคุณงามความดีตายแล้วไม่สูญเมืองยงดวงวิญญาณเนี่ยหลวงพ่อได้เปรียบเทียบว่า พวกเราสองแสวงหาทรัพย์ถึงจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดในการหาทรัพย์เงินคําทรัพย์สมบัติมั่งมีสีสุขกล่ารวยขนาดไหนแต่เงินนั่นส่งถึงโรงพยาบาลส่งถึงโรงพยาบาลพอไปส่งถึงโรงพยาบาลหมอก็รักษาเต็มที่พอในสุดหมอหมดความสามารถรักษาไม่หายรักษาไม่ได้พราหมดความสามารถของหมอจากนั้นก็นํามาถึงบ้านจากนั้นก็เนี่ย ได้มรณะลงไปจากนั้นญาติพี่น้องกับอยากพวกเราท่านทั้งหลายรักขนาดไหนอยู่ที่ไหนก็มาช่วยกันเพื่ อ, อส่งถึงเมนญาติพี่น้องในส่งถึงเมนนะเงินในส่งถึงโรงพยาบาลแต่ญาติพี่น้องส่งถึงเมนพอส่งถึงเมนเสร็จแล้วก็ขึ้นวางดอกไม้ยันเอานะเนอคุณโยมคุณยายเนอะพี่ป้านาอานะเนอะดวงวิญญาณทวารท่านทั้งหลายได้ ท่านได้ทําให้กับข้าพเจ้าด้วยกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมข้าพเจ้ายินดีโอโหสิกรรมให้กับท่าน เ, าเราก็ให้ทำได้เราก็ตามได้ทําให้กับท่านที่ท่านไม่สบายใจขอให้ท่านโอโหสิกรรมให้กับพวกเราด้วยขอให้ท่านไปดีเนะจากนั้นก็วางดอกไม้จันทร์จากนั้นก็ลงมานั่งนั่นแหละจากนั้นก็เศพก็เข้าไปในเต่าเพ <The The mess> ิงจากนั้นประชุมเพิงพอประชุมเพิงนั่นแหละ ในหลักธรรมคำสอนของพุทธะที่ว่อั ต, ตหิอั ต, ตโนนาโถต้นแลงเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรติยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่ที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราบุญกุศลเท่านั้นแหละจะเป็นที่พึ่งของเรานําดวงวิญญาณของเราไปสู่ปรโลกภายภ า, ยาคหน้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าร่างกายเหมือนกับรถรถผูกไฟไฟไ ฟ, ไฟเผาไเท้งนะแต่ว่า ดวงวิญญาณนั่นโซเฟอร์รถออกจากรถเดินไปตามลำพังถ้าดวงวิญญาณดวงนั้นได้ทำกรรมดีได้ทำกรรมชั่วถ้าทำกรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลไปสู่สุขติสวรรค์ชั้นฟ้าจนถึงพระหันบทจดจากกิเลสก็คือใจดวงนั้นแหละไม่ใช่กายนะกายเนี่ยเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าพระหันแต่สาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนกันหมดพอร่างกาย แต่จิตใจนะ่ะต่างกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาและนํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายว่าจาใจาของตนแล้วก็นี่แหละความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอย่างที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาพอเราเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะศึกษาในจุดนี้นะแล้วก็ทําจิตใจให้สงบเพื่อจิตใจยังไม่สงบนะยังไม่รู้ผลนะถ้าว่าจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วนั่นแหละจึงจะรู้ได้เรื่องต่างๆ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 จงประสบจะความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเถิน